บุระพารัศสมิงพระธรรมเมตังบุระพารัศสมิงพระสังฆานังทุกขรวพระพยางวิวันชัยเยสสะพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนียยดันไร วิวันชัยเศยศภะทะังสัสพะลาพังพระวันตูเมรักขันตูสุรักขันตูอากาเน์รัศมีพระพุทธคุณนางอากาเน์รัศมี ธรรมเมตังอาคเนราศมิงพระสังขานางทุกกะโรผะพยังวิวันชัยเยสะพะทุสสกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสพระเคราะห์เสนียบจันไรวิวันชัยเยสพะพสพระนางสะพะลาพังพระวันตุเบ ขันตุสุรักันตุทักษินรัสมิงพระพุทธคุณนางทักษินรัศมิงพระธรรมเมตังทักษินรัสมิงพระสังฆานางังทุกขโรพระพยัง วิวันชัยเยสัพทุสัพะโสสั พ, โ, สพโรคสัพสพภัยสะพะเคราะห์สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพะทันังสัพลาพังพะวันตุเมปพระขันตูสุรักขัน พระพุทธคุณนางโหระเดียรัตสมิงพระธรรมเมตังโหระเดียรัตสมิงพระสังฆานังทุกขโรัวกับพยังวิวัรณชัยเยสสะพทุกสะพะโสกสะพะโรคสะพะภัยสะ พ, พระเคราะห์สันียดจันไรวิวรรณชัย สัพพะทะนังสัพพะราพังภวันตุเมประคันตุสุรันตนุปจิมราชมิพระพุทธคุณนงังปัต รัศมิพระธรรมเมตต์ังปัดจิมรัศมิงพระสังฆานางังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสสะพทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัสพพพยส พ, พระเคราะห์สนียดจันไรวิวันชัยเยสสะพท้าหนังสะพะลาพัง พระวันตุเมตพระคันตุสุรักคันตุพายบพระศสมิงพระพุทธคุณนางพายบพระศสมิงพระธรรมเมตตงพายา พระสมิงพระสังฆานางังทุกขารัวขพยังวิวันชัยเยสสะพทุสัพโโกสั พ, ร โ, สสพรโรคสัพะภัยสัพะเคราะห์สนียบจันไรวิวันชัยเยสัพพะท่านังสัพระราพังพระวันต รักันตุอุดรรัศวิ่งระพุทธกุณนางอุดรรัศวิพระธรรมเมตัง รักสาวิงพระสังฆานางังทุกขโรพระปยังวิวันชัยเยสัพัทุสพะสพศกสะพโรคสพระพภัยสพะพเคราะห์สนันเย็ดจันไรวิวันชัยเยสพะพนาสพะพลาพังพระวันดูเบ รัศมิงพระธรรมเบตังเบียสารรัศมิงพระสังขานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสพะทุสพโสสพรโรคสพภัยสพรครอ้อสเนียดจันไรวิวันชัยเยสพะานังสพลาพัง พวันตุเมรัรกันตุสุรักขัน ทวีรัศมิงพระธรรมเบตังปทวีรัศมิงพระสังขานังทุกขโรควขะพยังวิวันชัยเยสสะพทุสะพะโสสะพะโรคสะพะภัยสะพะคร้อสันเหตจันไรวิวันชัยเยสสะพะทาังสะพะลาพัง พวันตูเวป ร, รังคันตูสุรังคันตูอากาศราศามิงพระพุทธคุณนังอากาศราศามิงพระธรรม พระสวิงพระสังฆานังทุกคารวะัยังวิวันชัยเยสสะพทุพสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสะระเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสสะพทาังสะพะลาพังพระวันตูเมรักขันตู รับกัน